ใช่ั้มใช่แล้วฉันผู้กองนะอ๋อค่ะกองไว้ตรงไหนดีล่ะคะยาแจ๋วเดี๋ยวเถอะตลกนักนะเรานะ่ไงล่ะเราคิดถึงผู้กองมากๆเลยคะ่ะทำจริงตอบจริงนี่ยาแจ๋วเอาอีกแล้วนะเราเนะี่ยอ้าวก็ตอนเรียนหนังสื อ, อคุณครูเขามีการบ้านใช่ไ้มละ่ะ การบ้านไม่ใช่การลงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่การกบ้านก็คือกลับไปทำที่บ้านค่ะอืมแล้วไงอะทีนี้คุณครูก็บอกกับพวกหนูว่าพวกหนูไม่ใช่พวกคนใช่ไหมล่ะผู้กองน่ะแหมร้อเล่นหน่อย <c oughs> เอาคืนหรอคะเอาว่าต่อสิคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทุกคนให้ดูกันบ้านหัวข้อใหญ่มีว่าถามจริงตอบจริง <c oughs> อา้าวผู้กองผู <c oughs> ้กองไม่ขำหรอคะ ไม่เห็นหน้าขำตรงไหนเลยอ่ะขำหน่อยหนะ่าแหม <c oughs> เธอเป็นบ้าไปแล้วล่ะโธฟุกองนะนี่แจ๋วขาขอพูดกับยิ่งหน่อยดิคุณยิ่งเหรอคะไม่รู้ว่าอาบน้ําเสร็จหรือยังนะคะอ้าวยังไม่ไปมาหาวิทยาลัย อ, อีกเหรอวันนี้ไปสายหน่อยเห็นบอกว่าสอบนะคะอ๋องั้นช่วยคิดไปตามให้หน่อยสิใครโทรมาหาแล้วแจ๋ว อ๋คุณยิ่งลงมาจากชั้นบนแล้วคะ่ะผู้กองรอเดี๋ยวนะคะอืมขอบใจคุณยิ่งคะ่ะผู้กองโทรมาจะขอพูดสายกับคุณยิ่งนะคะอืมขอบใจมากแจวไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแหมคุณยิ่งเนี่ยหล่อเหลือเกินหล่อจนอีแจวอ่ะจะอดใจไม่ไหวแล้วนะเนี่ยขออีแจวกอดหน่อยนะคะอื <c> ้ม <oughs> เสื้อผ้าก็หอมหอม่อไอแจวอยา่าอย่าน่งแจวทาอะไร คุณหญิงว่ายังไงฉันถามว่าทำอะไรเปล่าค่ะคุณหญิงเปล่าอะไรฉันเห็นหลอนปลีเข้าไปกอดเอวพ่อแล้วก็ดมเสื้อผ้ายกใหญ่เลย อ, อะไรขึ้นมาเปล่าค่ะคุณหญิงเดี๋ยวเธอหล่อนนี่พอฉันไม่พูดก็ชัดจะเอาใหญ่แล้วนะพ่อยิงนะ่งเน่ะฉันเลี้ยงเหมือนลูกแท้แท เพราะฉะ น, นั้นอย่านะอย่าคิดที่จะทอดสะพานพอยิ่งของฉันเชียวนะเดี๋ยวหล่อนจะโดนเฉดหัวออกไปจากที่นี่โดยไม่รู้ตัวนั้นจะบอกให้ขอโทษค่ะคุณผู้หญิงค่ะแจ่วไม่มีเจตนาจะคิดอะไรทั้งนั้นค่ะแค่ชื่นชมความหล่อของคุณยิ่งก็เท่านั้นเองละค่ะชื่นชมก็พูดด้วยวาจาก็ได้ไม่ใช่ทําตัวปากว่าตาขยิบอย่างนี้ฉันไม่ชอบขอโทษค่ะเอาเถอะ ไปตั้งสำรับได้แล้วเดี๋ยวท่านก็จะลงมาทานข้าวเช้าแล้วค่ะคุณหญิง โอลผูกองเหรอครับฉันเองเป็นไงบ้างล่ะสบัยดีครับผู้กองนะฮะสวัสดีหรือเปล่าอ่ะสบายดีคิดถึงเราก็เลยโทรมารู้ไหมเออครับขอบคุณมากนะครับพวยก็คิดถึงผู้กองเหมือนกันนะฮะจริงเหรอจริงสิครับมีโอกาสจะไปหาผู้กองสักทีว่าจะจะจะจจะอยู่นานไม่ได้ไปเลยอ่ะมีเวลาว่างก็เอาเป็นแต่งให้สาวๆในมหาวิทยาลัยหมดนะสิก็เลยลืมฉันไปละสิ ไม่จริงแล้วครับผู้กองเนี่ยเวลาผมว่างนะพวกกองคมภีร์มาอ่านพว้กองจําได้ไหมฮะผู้ ก, กองก็ให้คัมภี์ผมเล่มหนึ่งก่อนที่ผมจะมาอยู่เ อ, อกับท่านและคุณหญิงที่เนี่ฮะจาได้สิคําสอนของพระเจ้าในคัมภีร์ดีมากเลยรู้ไหมรู้ครับผมจะเปิดอ่านทุกครั้งที่มีเวลาโดยเฉพาะก่อนนอ น, นครับผู้กองดีแล้วล่ะแล้วนี่วันนี้แวะมาหาฉันหน่อยได้หรือเปล่าอยากเจอหน้าเนี่ยวันนี้เลยเหรอฮะอืมไม่ว่างใช่ไหมล่ะ ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไว้โอกาสมาเหมาะก็ได้คือผมไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับเพราะวันนี้ผมมีสอบปิดภาคเรียนนะครับพู้กองเหรอเออฉันก็ลืมไปเมื่อกี้เนี่ยยายแจวก็บอกฉันแล้วเหมือนกันสอบไม่กี่วิชาใช่ไหมถึงได้ไปสายได้เนี่ยวันนี้สอบ2วิชาเช้าวิชาหนึ่งบ่ายเอ่อประมาณบ่ายสอีกวิชานึงอะฮะถ้างั้นไว้เธอสอบเสร็จแล้วค่อยเจอกันดีไหมฉันจะได้ไม่ต้องกังวลใจก็ดีเหมือนกันครับ แต่พวกก็ไม่มีเรื่องอะไรแร่งด่วนใช่ไหมครับถ้ามีนะครับเย็นวันนี้ผมไปหาพวกกองก็ได้นะฮะไม่หรอกแค่อยากเห็นหน้านะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วฉันเองก็ไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่ไปไปมามาอยู่เรื่อยเนี่ยครับท่านกับคุณหญิงสบายดีนะท่านแข็งแรงดีแต่คุณหญิงดูเหมือนพักเนี้ยจะไม่ค่อยสบายอะฮะเป็นอะไรเลอะเป็นรคหัวใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเรอะเคยไปให้หมอตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรอ่ะฮะเรอะ ครับก็ดูแลด้วยล่ะคุณหญิงเป็นผู้มีพระคุณของเรารู้ไหมรู้ครับผมเองก็เป็นห่วงคุณหญิงเหมือนกันอนะลองชวนไปตรวจเช็คดูตามโรงพยาบาลใหญ่ๆสิครับผู้ ก, กองงั้นแค่นี้ก่อนนะพอดีมีทุระออกไปนอกสถานที่เนะี่ยครับขอบคุณที่ผู้กองคิดถึงฮนะผมก็คิดถึงผู้กองเหมือนกันครับอืมวัส ด, ดีนะวัส ด, ดีครับผู้ ก, กอง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 Help the s h a d that h i s a p p e a r e d Help i l e darkness in my o e t I j u a t ชีวิตฉันยังว่างเปล่าไม่มีคนเข้าใจฉันต้องการแค่ใครสักคนใครสักคนที่เป็นทุกอย่างให้ความหวังและคอยอุ้มให้ทุกวัน ให้สงขว่างให้หัวใจอยากจะขอแค่ใจสักคน Baby, the song that I wrote for you. Please keep it in your heart and your soul. Ah ah ah a i ah ah ah ah a ah a ah ah ah ah a a ah h ah ah ah a ah ah ah o h a ah a ah ah a ah h ฉันก็เปิดรับเธอเช่นกันมีรู้เป็นอะไรแค่เคลิไปหรือว่าใช่เลยไม่ว่าเวลาไหนใจก็คิดถึงแต่เธอเืิมชากินสละเปาใจเราไม่เคยเหงาเลย จะทำตัวอย่างไรทุกครั้งที่พบเธอฉันยังรู้สึกเหมือนครั้งแรกเจอไม่รู้ทำไมฉันยังต้องคืนทุกทีที่ใกล้กันมันคงเป็นความรักรักที่เป็นเราไม่เคยเงาไม่เหมือนใครหลับทุกความในใจที่ยังไม่บอกเธอวันนี้ฉัน t h a r e h e i l e i n g you n d I o r e t in o u e t r y t you d m a g วันนี้ฉันจะกระซิบให้ฟัง ร, รักที่เป็นเงาไม่เคยเงาไม่เหมือนใครลัทุกความในใจที่ยังไม่บอกเธอวันนี้ฉันจะกระซิบให้ฟังหมดทั้งใจ ในช่วงบา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 คุยโทรศัพท์กับใครแ ล, ล้วลูกผู้กองโทรมาบอกคิดถึงนะครับคุณหญิงแ ม, ม่แล้วผู้กองสบายดีหรือเปล่าระยะหลังนี่ไม่ได้เจอกันเลยเช่นเองก็ไม่มีโอกาสแวะไปที่ทํางานของผู้กองสักทีว่าจะไปเที่ยวบ้านผู้กองสักหน่อยก็ได้แต่ว่าจะว่าจะยุ่ร่มไปจะไปวันนี้เลยไหมล่ะคุณพี่มีเวลาไปกับดิฉันหรอคะถ้าจใจผมไปด้วยล่ะก่อนอย่า น, นี่จะไม่ได้น่ะนะอืม ไม่มีเวลาว่างอีกตามเคยสินะคะคุณหญิงก็เห็นแล้วนี่นะว่าผมในงานล้นมือและ้จะเรื่องงานในกรมและ้จะเรื่องงานนอกกรมอีกโอเยอะแยะไปหมดแทบจะจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วล่ะก็เพลาๆงานลงบ้างสิคะคุณพี่จะโหมงานให้เป็นบ้าเป็นหลังอยู่ทำไมล่ะคะเวลาอาหารเย็นในครอบครัวก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ระยะหลังๆมาเนี่ยคุณพี่ไม่เคยกลับมาทานอาหารเย็นเลยนะคะ คนหญิงนึกแล้วว่าผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นน่ะก็คนมันไม่มีเวลาจริงๆที่นะ่ะตดประชุมซะเป็นส่วนใหญ่ก็ทำไมจะต้องเอางานประชุมนัดสำคัญสำคัญไว้ตอนเย็นด้วยล่ะทำไมไม่เลื่อนไปประชุมตอนเช้าแทนซะเลยจะได้ไม่ต้องแย่งเวลาหลังเลิกงานของคนอื่นเขาด้วยคุณพี่ไม่เป็นไรแต่คนอื่นอาจจะอึดอัดใจก็ได้แต่พูดไม่ออกเพราะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก ทุกคนเห็นดีด้วยทั้งนั้นแหละประชุมตอนเย็นสบายๆรู้สึกไม่ตึงเครียดอะไรเลยตามใจเถอะค่ะดิฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกค่ะแต่อยากจะบอกคุณพี่ว่าเวลาของเราที่จะอยู่กันแบบครอบครัวน่ะมันหายไปค่ะ น, นะผมก็ใจความรู้สึกของคุณหญิงดีเน่นะนะแต่ถึงยังไงคุณหญิงก็ยังดีกว่าผมเพราะคุณหญิงอยู่บ้านมีแต่ยิ่งเป็นเพื่อนคุยแต่ผมนี่สิหังไปทางไหน ก็มีแต่ลูกน้องทางนั้นมีอะไรในใจบางอย่างคุยกับลูกน้องไม่ได้ค่ะผู้กองเขาว่าไงมาล่ะยิง่งบอคิดถึงโทมคุยด้วยไม่มีแล้วมากล่ะฮะแต่อยากนัดเจอกันบ้างอะฮะก็ไปสิไปนอนค้างบ้านผู้กองมันก็ได้เพราะถึงยังไงผู้กองเขาเป็นผู้มีพระคุณของพ่อยิ่งคนหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่มีผู้กองช่วยเหลือเราเราก็คงจะไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงไหมล่ะครับท่าน พียงก็รู้สึกซาบซึ้งพระคุณของผู้กองมากเหมือนกันล่ะครับอืมแล้วอยากไปนอนค้างไหมละ่ะตอนนี้ให้คนรถไปรับที่มหาวิทยายลัยแล้วก็ให้คนรถเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้านผู้กองซะเลยคงจะไม่ได้ล้วครับท่านอ้าวทำไมละ่ะตอนนี้ติดสอบปิดภาคเรียนนะฮะโอ้นั่นเหรออ่าครับท่านจนจะจบปริญญาตรีหรือ ย, อยงังล่ะอีกเทอมหนึง่งนะฮะแต่เลยไม่กี่หน่วยการเรียนแล้วครับท่านดีดี ด, ดีเรียนให้จบจะต่อปริญญาโทและต่อด็อกเตอร์ก็เอา ฉันสนับสนุนเต็มที่เลยขอบพระคุณท่านมากครับเออเออเออเอ อ, อ, อคุณหญิงแม่อยากให้ผมเรียนต่อไปแล้ะฮะ อ, อยากสิลูกฉันน่ะอยากจะให้เธอเรียนสูงๆมีปัญญาเรียนได้มากเท่าไหร่ก็จะดีมากเท่านั้นต่อไปข้างหน้าฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีวิชาวความรู้ติดตัวน่ะดีที่สุดไปทางานที่ไหนก็ย่อมได้เข้าใจไหมละ่ะเข้าใจครับคุณหญิงแ ม, ม่ฉันยินดีด้วยนะ อีกไม่นานเธอก็จะจบปริญญาตรีแล้วนะต้องขอบพระคุณคุณหญิงแม่ที่ให้ความเอ็นดูผมมาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วต้องขอบคุณเอ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเห็นความดีของผมแล้วบรรดานคนดีๆมาเกื้อนหนุนผมด้วยครับขอบคุณพระเจ้าครับดีแล้วล่ะเกิดเป็นคนต้องไม่ลืมผู้มีพระคุณและรู้จักหาโอกาสทดแทนพระคุณด้วยนะจ๊ะครับคุณหญิงแม่ การทดแทนพระคุณนั้นน่ะไม่ใช่ทดแทนด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันหรอกนะจ๊ะพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการทดแทนพระคุณกับผู้มีพระคุณที่ประเสริฐที่สุดก็คือการทำความดีต่อตนเองต่อสังคมต่อประเทศชาตินั่นละ่ะคือการทดแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เข้าใจไมละ่ะ เข้าใจครับคุณหญิงแม่ผมทราบซึ้งเหลือเกินครับ ยิ่งจะไปไหนเลยอืมดิฉันขอแวะลงโรงพยาบาลก่อนค่ะอาชาติขับรถเลยไปโรงพยาบาลก่อนไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็จากนั้นคอยวกมาส่งชั้นที่กรมครับผมเออแล้วยิ่งล่ะครับท่านเธอรีบไปสอบไหมให้ชาติขับไปส่งเธอที่มหาวิทยาลัยก่อนเอาไหมถ้าลงทีหลังเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่พร้อมเวลาอยู่บ้างฮะไม่สายนะ อ, อ้าวไม่ครับท่านอืมงั้นก็เอาตามที่บอกแล้วกันนะชาติ ไปส่งคุณหญิงแล้วแวะส่งฉันแล้วค่อยไปส่งพ่หญิงก่อนนะครับกันครับผมออคุณหญิงแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ ม, มันปวดที่หัวใจยังไงก็ไม่รู้นะบางครั้งก็หายใจไม่ค่อยจะออกเดินเร็วก็หายใจไม่ทันเป็นๆ ห, หายๆแต่วันนี้รู้สึกหนักหน่อยก็เลยขอแวะไปหาหมอสักหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะตั้งใจสอบนะลูกครับคุณหญิงแม่